มีสลายตนะเป็นแดนเกิดสลายตาณะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตาณะนี <ark Carwyn studies> ้มีนามรูปเป็น <t> ต <ark> ้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิด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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมานต์และอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชาราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชาราและมรณะจึงมีใช่หรือไม่ หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชาราและมรณะจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไร เพราพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมี ในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข่าเรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะ ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เพระาะ菩ะเป็นปัจใจเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพ ร, ะราะ菩ะเป็นปัจใจเวทนาจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะนเป็นปัจใจ菩ะจึงมีเพราะสลายตระนเป็นปัจใจ菩ะจึงมีใช่หรือไม่ หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษะจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไร เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีในเรื่องนี้ค่าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เราเกล่าวแล้วว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี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 โทมนต์และอุปายาจจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ปฏิจจสมุบาทกระบวนการดับเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับ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 เพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะพบดับชาติจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่า เพราะอ <|so|> ุปาทานดับภพจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอุปาทานดับภพจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัญหาดับอุปาทานจึงดับเพราะตัญหาดับอุปาทานจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไร เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะ ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะ菩萨 ด, ดับเวทนาจึงดับเพราะ菩萨ดับเวทนาจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะ菩萨ดับเวทนาจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะดับ菩ะจึงดับเพราะสลายตนะดับ菩萨จึงดับใช่หรือไม่ หรือว่าในเรื hey ่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสลายตนะนัดับภาษจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับในเรื่องนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข่าข้อ<า>ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับๆๆใช่หรือไม่ หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอาวิชาดับสังขารจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกต้องแล้วเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือ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 เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปาญาตจึงดับความดับแผงกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ คุณภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตการว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือหรือมิได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอย่างไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ เธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันทาศายตนะในอนาคตว่าในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือหรือจกไม่มีหนอเราจากเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ จะพึงมีความสงสัยภายในตนปรารบปัจจุบันการในบัดนี้ว่าเราเป็นอยู่หรือหรือไม่เป็นอยู่หนาเราเป็นอะไรหนาเราเป็นอย่างไรหนาสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจะไปไหนกันหนาบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าข้าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระาศาสดาเป็นครูของเราทั้งหลาย เราทั้งหลายต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อพระศาสดาบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าข่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้และเราทั้งหลายผู้เชื่อว่าเป็นสมณะก็กล่าวอย่างนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าข่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ จะพึงยกย่องาศาสดาอื่นบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงเชื่อถือข้อวัดการตื่นลัทธิและการถือมงคลของพวกสมณพราหมณ์ปุถุชนโดยเชื่อว่าเป็นแก่นสารบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าสิ่งใดที่เธอทั้งหลายรู้เองเห็นเองทราบเองแล้ว เธอทั้งหลายจะพึงกล่าวถึงเฉพาะสิ่งนั้นมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกต้องแล้วเรานำเธอทั้งหลายเข้าไปถึงนิพพานแล้วด้วยธรรมนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันบินยูชนพึงรู้เฉพาะตน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 ประกอบเพลงการเกิดในคันภิกษุทั้งหลายเพราะปัจจัยสามประการประชุมพร้อมกันการถือกาเนิดในคันจึงมีได้ในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่มีฤดูและคันทัพภะยังไม่ปรากฏการถือกาเนิดในคันก็ยังมีไม่ได้ในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดู แต่คันทัพพระยังไม่ปรากฏการถือกาเนิดในคันก็ยังมีไม่ได้แต่เมื่อใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีรดูและคันทัพพระก็ปรากฏเมื่อนั้นเพราะปัจจัยสามประการประชุมพร้อมกันอย่างนี้การถือกาเนิดในคันจึงมีได้มารดาย่อมรักษาทารกในคันนั้น9้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้าง จึงคลอดทารกผู้มีภาระหนักนั้นด้วยความกังวลใจว่าการเลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแล้วด้วยโลหิตของตนด้วยความห่วงใยมากน้ำนมของมารดานับเป็นโลหิตในอริยวินัยกุมาร น, นั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเล่นด้วยเครื่องเล่นสําหรับกุมารคือถ่ายเล็กๆตีไม้หึงหกเขมร เล่นกลังหันตวงทรายรถเล็กธนูเล็กภิกษุทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอิ่มเอิบพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยกลามาคุณห้าประการครือ 1. รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โาโผฏฐะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดกุมารนั้นเห็นรูปทางตาแล้วกำนัดในรูปที่น่ารักขัดเคืองในรูปที่ไม่น่ารัก เป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นกรมวจรอยู่ไม่รู้ชัดถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอาุโลธรรมตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามย่อมเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้น เมื่อกุมาณนั้นเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนต์และอุบายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้น ย่อมมีได้อย่างนี้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธะะทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วกำหนัดในธรรมรมที่น่ารักขัดเคืองในธรรมรมที่ไม่น่ารักย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นกามวจรอยู่ไม่รู้ชัดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอากุศลธรรมตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามย่อมเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมารนั้นเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้น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 ตถาคตนั้นรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและซ้อนหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพรามเทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้มกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน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 ทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบันปชิตต่อมาเขาละทิ้งกองพภกคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบันปะชิต สิขาและสาชีพของภิกษุเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อคูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นขาจากการรักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให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 พูดแต่คําไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคําของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเจละเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดแต่คําจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคําที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา 8. เว้นขาดจากการพระพืชจะคามและภูตะคาม 9. ชั้ฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิคาร 10. เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าสึกแก่กุศล 11. เว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอม และเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวสิบสองเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่สิบสามเว้นขาดจากการรับทองและเงินสิบสี่เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบสิบห้าเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบสิบกเว้นขาดจากการรับสตรีและคุมารี17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 จะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันนี้แล้วย่อมสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศี ถึงความสำรวมในจักขุนสี่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธะะทางกายรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอคุศสลธรรมคืออภิชาและโทมนั์ครอบงำได้จึงรักษามนินสี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 อริยอินสีสะวอนและอริยะสติสัมปัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคลนไม้ภูเขาโซกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากปินทบาทภายหลังชั้นพัฒหาเสร็จแล้วนั่งคููบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละอภิชาความเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละพยาบาทและความมุ่งร้ายมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสัพพัสต์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากพยาบาทและความมุ่งร้ายละจีนามิทะความหดหู่และเสื่อมซึมปราศจากถีนมิทะ กำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถินามิทะละอุทจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทัจจกุกุจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในคุศสรธรรมอยู่ชำระจิต ให้บริสุทธิ์จากวิจิตกิจชาภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตและเป็นเหตุทาปัญญาให้อ่อนกำลังได้แล้วสังััจจากกรามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน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 ิสูจนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่กำนัดในรูปที่น่ารักไม่ขัดเคืองในรูปที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ทราบชัดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอากุศลธรรมตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วสเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ตามก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อพิสษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายจึงดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานบบจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกปริเทวะ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 และมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ทราบชัดถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอากุศลธรรมตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามก็ไม่เพลิดเพลินไม่บนถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บนถึง ไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายจึงดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตของภิกษุนั้นจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำตันหาสังขยวิมุตติโดยย่อของเรานี้อันหนึ่งเธอทั้งหลายจงทรงจำสาติภิกษุบุูชาประมงว่าเป็นผู้ติดอยู่ในข่ายคือตันหาและกองแห่งตันหาใหญ่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แลมหาตันหาสังคยะสูตรที่8จบ